ยังมีความจริงแต่เธอไม่รู้ฉันคงลืมบอกเธอคิดเองอยู่เสมอว่าเธอนั้นเข้าใจจนมาวันหนึ่งเธอไปจากฉันแล้วมีใครอีกคนเพราะเธอบอกเหตุผลว่าฉันไม่มีใจอยากบอก อยากจะบอกเอาไว้อยากเปิดหัวใจแม้ว่าเธอไม่อยู่รับฟัง ไปอย่างนั้นรู้ว่าปิดที่ฉันเพราะไม่